เป็นนิยานิกรรมเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกขเนี่ยนะเพราะการพิจารณากายอานะการพิจารณ า, าธาตุพิจารณาผมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกโดยเหตุโดยปัจจัยโดยสมุทัยโดยนยะต่างๆพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นอนะโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะการเจริญเหล่านั้นที่พระองค์บอกว่าเป็นการเจริญเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะ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 มนั ส, สิกานใส่ใจคําสอนของพระพุทธเจ้าสังเกตดูในเนาว่าเนื้อหาในพระธรรมที่พระสารีบุตรยกมากล่าวนั้นเนี่ยกล่าวถึงการมน ส, สิกานโดยธาตุ ก, ารกรรมฐานหมายคือว่าตัวอารมณ์นั้นคือปัตตวีธาตุอาโปาธาติโชาธาตุวายโยธาตุหัวข้อที่เรากําลังพูดถึงนี่คือปัตวีธาตุมนสมนัสิสสกานใส่ใจปัตวีธาตุโดยปฏิเสธตัณหามาณและทิฏฐิ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 ท่านบอกว่าความเพียปรปาราแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งไว้แล้วก็ไม่หลงลืมกายตั้งเอาไว้ให้สงบก็ไม่กระวนกระวายจิตก็ตั้งเป็นเอกคตาแล้วมนสิการว่าจะต้องปฏิบัติใส่ใจในคําสอนอันนี้แปลว่าเป็นการเจริญอินสี่ห้าต่อต่อไปเนี่ย น, นะความเพียรก็เป็นวิริยินสี่ก็เท่ากับกล่าวอะไรส ม, มปทานสสติตั้งไว้ไม่หลงลืมอันนี้ก็เป็นสติปทานสี่นะจิต กายกับจิตเนี่ยนะให้สงบโดยโดยอะไรเป็นสมาธินสัตว์จะต้องปฏิบัติในคำสอนเนี่ยนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะต้องทำให้ได้บรรทัดที่3ามหน้าหอันนั้นเป็นสัททินีเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเนี่ยนะก็เป็นการเจริญปัญญาแล้วเจริญอินีหเพื่ออะไร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 ไม่ค่อยตั้งอยู่ใช่ไหมเพราะปกติแล้วให้อากุศลมันเจริญกุศลธรรมไม่ค่อยเจริญเมื่อกุศลไม่เจริญอากุศลมันเจริญขึ้นทำยังไงภิกษุนั้นย่อมสังเวชใจสังเวทคือสลดใจเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราแล้วเนเราลาบไม่มีกับเราลาบแล้วว่าได้ดีเนี่ยเราไม่ได้ดีแล้ว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 เป็นการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นถูกด่าไปก็กุศลไม่เจริญแล้วเนี่ยนะถูกตีกุศลก็ไม่เจริญสติที่ตั้งไว์สัธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่ไม่เจริญจิตไม่น้อมไปในอนุปัสนาทั้งหลายสังเวจใจเลยมันเสียหายมากเลยนะเนี่ยขนาดเจริญพุทธคุณก่อแลว้ว จเจริญพุทธคุณว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพารหันเป็นต้นเนี่ยนะอิติปิโสก็แล้วสวากขาโตก็แล้วสสปฏิปันโนก็นแล้วสังเวทใจเถอว่าเราเนี่ยแหมมันเสียหายมากเลยนะไม่ใช่ลาบก็แปลว่าเสื่อมลาบแหมหมดลาบแปลว่าหมดบุญเนี่ยเราเนี่ช่างบุญน้อยเหลือเกินเพราะอะไรเพราะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างนี้อยู่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 ในหน้า5้าร้ากล่าวว่าพระสารีบุตรนั้นนะนะแสดงปฏวีภายในเนี่ยเป็นเป็นส่วนมากปฏวีภายในคืออะไรผมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนปฏวีภายนอกเช่นเหล็กโลหะดีมุกตะกัวเป็นต้นเนี่ยไม่ค่อยแสดงแสดงไว้แต่เพียงยอ่ยอๆเพราะอะไร เพราะว่าในที่ใดสัตว์ทั้งหลายมีความอะไรใคร่ปรารถนาะกลุ่มรุ ม, รมยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงในที่นั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าพุทธสาวกจะกล่าวเรื่องนั้นอย่างพิสดารอย่าลืมว่าตันหาเมื่อเกิดเกิดที่ไหนถ้าบุคคลจะละตันหาก็ต้องละที่นั้นถ้าหากว่าตั น, ตนหาเนี่ยนะเพลิดเพลินในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยมากก็จะแสดงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะตัด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 ในที่บางแห่งเนี่ยมันไม่ติดเลยเมื่อมันไม่ติดจะต้องพักทําไมฉันใดอารมณ์เหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งตันหาถ้าจะละตันหากะละณนะที่อารมณ์ณนะที่นั้นๆนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ตั้งแห่งควา ม, าายาว เ, วามเยื่อใหญ่มากพระสารีบุตรก็เลยแสดงเพื่อให้ตัดฉันนราคะในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจความอาลัยอาวรณ์เหล่านั้นเนี่ยมาก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 ก็อาโปธาต์ภายในเป็นไนาอาโปธาต์ภายในก็คืออุปาทินหน้ารูปที่มีอยู่ในภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเอิบอาบคืออะไรน้ําดีปิดตังเนี่ยนะเซมหังเ ส, สมหะบุบโพน้ําหนองโลหิตตังน้ําเลือดเสโทเงื้อเมโทมันข้นนี่ยนะน้ำตาเนี่ยนะอสุวาสาปเปลวมันหรือมันเหลวเขโลน้ําลาย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 มันก็เจือปนไปด้วยอาโปธาตุสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นอาโปธาตุอาอาโปธาตุอันใดแลเป็นไปในภายในอาโปธาตุอันใดแลเป็นไปในภายนอกเนี่ยนะเราให้ความสำคัญธาตุน้าภายในกับภายนอกอันไหนมากกว่ากันอันให้ความสำคัญกับน้ำก๊กไหลกับน้ำประตะน้าตาไหลเนี่ยสนใจไหนมากกว่ากัน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 อนัตตาอนุปัสสนาก็เจริญอนุปัสสนาสาในอาโปธาตเนี่ยนะจอเห็นว่าน้ำดีไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะน้ำดีไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะน้ำสเลดหรือน้ำเสมหะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ำน้อง ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ำเลือดไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ำเหงื่อไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ำมันข้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ำตาน้ำตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตะเปลวมันหรือมันเหลวเนี่ยนะไอ้มันเหลวที่แบบเช็ดหน้าแล้วอะไรนะมันมันออกมาเนี่ยเราเรียกว่ามันเหลวหรือที่เรียกว่าเปลวมันอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ำลายเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ำไข่ข้อก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็น อนัตตาตนถึงน้ําปัสาวะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็คือบอกว่าปฏิเสธตันหามานะเละทิฏฐิทั้งหลายนะด้วยอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาถ้าเห็นด้วยอนุปัสนาถูกต้องอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายนิพพานเนี่ยนะเบื่อหน่ายในอาโปธาต์นะก็เรียกว่านิพพานุปัสนายังจิตให้คลายกําหนัดในอาโปธาตุนั้นเป็น วิราคาโนปัสสนาอนุปัสสนา7จ็ดเมียรบ้างหนึ่งอณิจารุปัสสนาสองทุกขานุปัสสนา3อนาตตานุปัสสนาสนิพิทานุปัสสนาหวิราคานุปัสสนา6นิโรธานุปัสสนา7ปฏิเนศคานุปัสสนา